กัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกร พระเทพสิทธาจารย์วัดสีเทพประดิษฐารามอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นเรื่องแปลกๆ2482 ตอนที่ท่าน พร้อมด้วยภรรยาเค้าเช่าห้องแถวประกอบการค้าขายของเล็ก ก็รวมมีหมูป่าเจ้ากรรมขนาดใหญ่ตัวนึงวิ่งมาจากไหนไม่รู้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในร้านค้าของเอ่อศิษย์โทเทพเนี่ยก็เข้าใจว่าหมูป่าตัวนี้จะ มันไม่เหมือนหมูบ้านดีคนเลี้ยงไว้นี่ไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้ตัวมันหรอกหากมีใคร ตอนที่ท่านเจ้าคุณปู่ง่ายจะเป็นด้วยอํานาจเมตตาบารมีของ ครั้งการต่อมาก็เกิดกรณีพิพาทชายแดนจนกระทั่งเกิดเป็นสงครามอินโดจีนขึ้นไทยต้องทําท่านหลบออกไปจากวัดเสียเป็นปฏิบัติตามคําขอร้องของทาง นะท่านก็หวงสารมันไม่ได้เกรงจะอดอาหารหรือถูกทหารเอาไปฆ่าเป็น ท่านเจ้าคุณปู่มาจัดการปล่อยหมูป่าเข้าป่าไปแล้วก็ออกเดินทุรดงกรรมฐานมุ่งตรงไปยังอำเภอ เมื่อถูกปล่อยให้หากินเองในป่ามันก็ลําบากหากินได้ไม่เพียงพอต้อง ท่านก็เดินทางกลับมาอยู่วัดศรีเทพประดิษฐารามตามเดิมท่าน เยว่ลั่งร้านช่างหงเจ้าของโรงหนังเฉลิมศิริซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยเคารพนับถือเลื่อมใสในท่านเจ้าคุณปู่มากเนี่ยได้ ฉันของชอบอะไรให้อ่าได้ทั้งนั้นนาง เป็นธุระจัดหามาจากที่อื่นมาให้ได้นางเอียว ปู่ได้เห็นภาพนิมิตว่าปู่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าได้เห็นเรือนแก้วหลังหนึ่งเค้ากำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จปู่ก็ ตามที่ปรากฏในภาพนิมิตนั้นจริงๆถ้าปู่ได้รู้ว่าเมื่อนางได้ ในความเมตตากรุณา 13 ปีซึ่งตอน ในขณะที่นางเอียวลังนอนป่วยอยู่ก็นางเอียวลังนั่นแหละวิ่งเข้ามาจะจับตัวนาง ตั้งแต่นางได้เห็นนิมุตรฝ laser นั้นเป็นโท่มาอาการปลวยของนาง ก็ดีขึ้น미chutz รับดับจนหายเป็นปกติแต่นางคิดจะเล่าอาการที่เกิดขึ้นในความรู้ศึกในขนาดนั้นให้คนอื่นฟังก็ต้องมีเหตุเกิดขึ้นบังครับมาให้นางบอกเล่าได้อาการแค่ๆมีอะไรสิ่งอยู่ในร่างนั้นถ้าจะมีเหตุเกี่ยวแต่คนจะตายแล้ว จนกระทั่งนางเติบโตเป็นสาวแต่งงานมีๆให้คนอื่นได้ ย้อนให้นางดูนางเอียวลังก็บอกท่านว่าอ่านไม่ไม่ เอามาพับทำเป็นพัดพัดแก้ร้อนสักครู่นึงแล้วก็โยนมาให้นางเอียวล้างดูอีกก็เอ็งดูอีกทีสิมันมีอะไรก็ดูแล้วนี่เจ้าค่ะเออดูแล้วก็ดูอีกเถอะนาง นางก็เรียนถามท่านว่ารูปเด็ก 2 คนๆรูปเด็กนั่งนิ่งอยู่คนนี่มา อีกเรื่องนึงนางเอียวลังเล่าว่าก่อนที่เฒ่าแก่เล่งกี่ซึ่งเป็นเตี่ยของในสายในจิตปิติภัทรนี่จะถึงแก่มรณกรรมในตอนเช้าวันเออปู่ ผู้รู้สึกสงสารเขาจริงๆพอนางได้ยินๆไปไหนกันหมด แล้วหลวงปู่จะว่าสรรพกรจับตัวเฒ่าแก่เล้งกี่ไปแต่เช้าได้ยังไงก็ยังเห็นๆอยู่แล้วท่านเจ้าปู่อเจ้าคุณปู่จะสงสารก็ทําไมในเมื่อเค้าอ่ารู้ๆจากนั้น แต่เมื่อนั่งรถ 3 ล้อกลับผ่านหน้า ขั้นต่อมาอีกกว่า 1 นางได้นําอาหารปิ่นโตไปถวายท่านๆปู่ทราบได้ยังไงล่ะ นางก็คิดในใจว่าคงๆไปทําธุระ หลังจากที่เท่าแกสรร้างโฮงผู้สา anything came here for two days a แต่แล้วก็รีบแต่งตัวนั่งรถ 3 ล้อไปยังวัดสีเทพปดิตถารามพอไปถึงก็ขึ้นไปกราบท่านที่ห้องรับ นางก็เรียนถามท่านนั้นว่าอะไรหรือเจ้าคะนั่งอยู่เฉยๆจะปรอมน้ํามนต์ให้จากนั้นท่านก็ถือหม้อน้ําพระพุทธมนต์ในมือซ้ายถือมัดยาคาในมือขวาลุกขึ้นเดินวนเวียนรอบๆ3 รอบพระเสกคถากะโกงกางปรอมน้ําพระพุทธมนต์ให้หนักพอปรอมน้ํามนต์เสร็จแล้วก็พูดว่าเฒ่า เมื่อเฒ่าแก่ช่างโรงกลับมาแล้วจงพามาพบ ay. placดIslam that Ed. constant 20 teens เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนขาไปนะครับรถจิ๊บถนนไม่ดีมันกระโดดเต้นมากตอนขากลับก็ซื้อถุงปูนซีเมนต์ 2 ถุงใส่ไว้ท้ายรถป้องกันไม่ให้รถมันโดดมากเกินพอจะซื้อถุงปูนซีเมนต์ใส่ไว้เรียบร้อยก็ขับรถเดินทางกลับเมื่อขับรถมาตามถนนยังไม่ทันถึงจังหวัดสกลนครเลยรถเจ้ากรรมก็ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำถึง 3 ตกระเดนจากรถลงไปนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ก้นหนองเล็กๆข้างทางหนองนั้น ตัวพอได้ตั้งใจมั่นเป็นปกติรถและเครื่องยนต์ก็ไม่เสียเออท่านเจ้าคุณปู่ ท่านโยมคุณปู่ก็จัดการให้เท่าแก่อีก แต่นายพวงได้นํารถยนต์ที่ปั๊มน้ํามันเอโซอ่าตอนนั้นบ้านของนางเอียวลังนี่แหละเดินเข้ามาในบ้านของนางนางก็จัดเก้าอี้ถวาย หายหน้าไป 2 คืนแล้วยังไม่กลับท่านก็พูดว่าปู่รู้สึกสงสารเจ้าๆนางก็พูดว่าสงสาร ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่าย ท่านเจ้าคุณปู่ทราบได้ยังไงว่าๆว่าท่านทราบ วันหนึ่งตอนกลางวันได้เข้าไปท่านภายในห้องรับแขกบนกุฏิ ในบุนชูมีความปราปรื้มใจเป็นครั้นต่อมา ขณะที่เดินลงไปจะขึ้นเรือนี่ไม่ทราบว่าทหารฝรั่งเศสรู้ได้ยังไงเข้าใจว่าจะมีคนนําความไปบอก ในมือก็ถือมีดเดินเข้าไปหาทหารลาวหมาจะจะต่อสู้ทหารลาว 2-3 คนก็ยิงด้วยปืนคาบินอ่าเสร็จแล้วอ่ายิงแล้วก็ไม่ เมื่อพวกเขาวิ่งหนีไปแล้วก็ถือ จึงเพิ่มความเคารพนับถือในท่านเจ้าคุณปู่มากขึ้นเป็นทวีคูณได้ของกินอะไรดีๆต้องนํา